เมื่อกี้ผู้สวดพาดสวดกัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของปรมาจารย์กับเทวทูตสี่ ก, กัลยาณมิตรภาวนาลักษณ์นาระลบนายกย่องอดทน เราก็สามารถที่จะชี้แจงได้อย่างลึกซึ้งไม่พาไปทางที่เสื่อมนะนี่สำคัญกะะารยานมิตรส่วนใหญ่เรามีมิตรบาตมิตรปอกลอกมิตรที่เห็นประโยชน์ให้น้อยใจให้มากให้เอาไปนน้อยจะเอาเข้ามาให้มากๆมิตรเทียม มิดประจบประแจงสารพัดเราเห็นได้จากคนร อ, รอบตัวของเราเนี่ละเราก็เห็นในตัวเราด้วยที่สำคัญนะเทวทูตนะความแก่ความเจ็บความตายถ้านะมีกาลยานะมีแล้วมันก็ออสะดวกช่วยเหลือโดยเฉพาะในทางธรรมนี่สำคัญ คือทางกานทางไหนสว่างเป็นทางไม่เสื่อมแล้วก็ต้องมีอย่างก็คือโยนิโสมัจิการก็คือการทำใจให้แยบคายแล้วก็ตีโจทย์ให้แตกวิธีคิดมองได้หลายมุมมากมองแบบแยกแยะคุณค่าแท้คุณค่าเทียมเป็นยังไงมีคุณค่าแท้ความดีสักกี่กิโลใ น, นแง่เสียหาย เป็นทุกเป็นโทษเอามาชัาง่งน้ำหนักดูที่กี่กิโลลองทวงดุนกันดูแล้วก็เลือกคิดแบบปลุกเล้าคุณธรรมขึ้นมามีแต่แง่ดีมองแต่แง่ดีไม่มีเสียหายอะไรสักอย่างมองแต่แง่ดีอะไรอะไรก็ดีดีด ด, ด, ดีหมดไม่มองแต่แง่ร้าย ก็มองงานแบบให้กำลังใจกันปลุกเราคุณธรรมเหมือนลูกเล็กๆเดินต่อแตะต่อแตะลมลุกคลานโอ้เก่งลูกเก่งลูกโอ้มามามามาเขาก็ชื่นใจมีกำลังใจเดี๋ยวให้กำลังใจกันคิดแบบปลุกเราคุณธรรมแบบสามัญลักษณะมากมายเหลือเกินล่ะ ท้ายสุดก็คือเป็นแบบมิพัชาวาสก็คือไม่ได้เอาความคิดของเราเป็นใหญ่ให้ทุกคนร่วมกันคิดระดมสมองเราจะาแบบไหนหลักการแบบราชาทิา<ม>พไตยอภิจนาทิปยไต่ล้ประชาทิปยไต่ล<ม>้วสังขาธทิปยไตรล้ธรร ม, มาทิปไตย<ม>จะแบบไหนโลกาทิปไตยไหลาตามโลกตามกระแสไปแหละ อันนี้ก็แล้วแต่มองยังไงแล้วเราไม่ทุก <c oughs> คิดยังไงแล้วคิดไม่ทุกคิดไปทำไปคิดแบบสาวหาเหตุสืบสวนสาวหาเหตุข้อเท็จจริงเหตุผลต่างๆ <c oughs> อันนี้แหละเรียกว่าโยนิโสมารติการถ้ามี2ตัวนี้นะมันก็เดินสู่มักสู่ผลสู่นิพาน <c oughs> มาที่นี่วัดป่าสุตโตเราก็เป็น สถานที่หนึ่งที่มีมีมิตรมิมีกาลยาณมิตรนะกรชี้ให้เราเจอมิตรในตัวเราถ้าเราไม่เจอที่พึ่งภัยในตัวของเราเราไม่สามารถจะเป็นมิตรเป็นเพื่อนให้กับตัวเองได้แก่ก็โอยเจ็บก็โวยตายก็โอยเรียกขาพ่อหาแม่ไม่ว่าจะเรียกหาใครทุรนทุรายสับสน ถรมีมิในตัว mm hmm. เราก็ไม่นองร้องเรียกใครมิด mm hmm. ในที่นี้ก็คือตัวสติตัวปัญญาความรู้สึกตัวนี่แหละ mm hmm. ถ้าไปครอบกับความคิดเข้าความคิดกับพาหลอกมายาล้อยเล่มเกลียนคิดแบบเป็นมายา mm hmm. คิดแล้วเข้าเข้าข้างตัวเอง mm hmm. แล้ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นก็เห็นไม่ถูกมากมายเหลือเกินแต่คิดเป็นมันก็ไม่เป็นทุกข์แตนะ่คิดไม่เป็นอะไรมันก็เป็นทุกข์หมดนะมันก็อยู่ที่ตัวเราตรงนั้นนะความรู้สึกตัวนะการเจริญสติฝึกสติทำให้เราเห็นวนะ่าเออความรู้สึกตัวที่ฐานกายนันเป็นมิตรแท้นะกายนี่ไม่เคยโกหกร่างกายของเราเ ปวดก็บอกว่าปวดนะร้อนก็บอกว่าร้อนกายแต่ใจกับปากเนี่ยพูดไม่ค่อยตรงใจมันชอบคิดสร้างมโนภาพวาดวิมานมากมายเหลือเกินกลายเป็นสุขกลายเป็นทุกข์มันก็อยู่ได้ด้วยการคิดหลอกตัวเองไปวันๆแต่ความรู้สึกไม่เป็นอย่างนั้นร่างกายไม่เป็นอย่างนั้นเรายละเหียมันตรงๆ ปวดมันก็รู้ว่าปวดเวลาที่มันนั่งปวดมันรู้นะเวลาร้อนมันก็รู้นะว่าร้อนมันก็มีปัญญาด้วยนะมันสามารถที่ช่วยตัเองได้ด้วยหิวมันก็บอกว่าหิวนะร่างกายแต่ใจของเราเนี่ยมันไม่ค่อยมาดูแลมันชอบเอาแต่ใจตัวมันเองใจบางทีมันก็ทํางานหามลุงหามค่ํา สมบุกสมบันมันคิดว่าเดี๋ยวรวยแล้วจะมีความสุขมันหลอกร่างกายก็เออยอมทำตามเป็นขี้ค่จิตเป็นนายกายเป็นเบาเราก็เลยต้องนามาฝึกให้จิตเป็นนายกายเป็นเรือใให้เป็นเรือขนสง่งเอากายนะเป็นพ่วงแพ พายถอข้ามสู่ฝั่งมรรคผลนิพพาน mm hmm. ตอนที่เป็นแค่ขี้ข้าเฉยๆเป็นเรือเป็นแพเป็นพ่วงแพเคลื่อ mm hmm. นไหวไป mm hmm. เคลื่อนไปเรื่อยๆ mm hmm. มันก็พาขนส่งไปสู่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งที่ไม่ทุกข์ mm hmm. จิตเป็นนายกายเป็นเรือสติเป็นหางเสือปัญญาเป็นไม้พาย mm hmm. ถอค้ำไปพายไป ปัญญาพาทำอ่ะก็ไปถูกทิศถูกทางเป็นสัมมาทิฐิรู้รู้รถูกเบื้องต้นก็นเช็คเลยนะเคลื่อนมือรู้สึกเคลื่อนมือรู้สึกเคลื่อนมือรู้สึกมันไม่หลอกหรอกแต่ถ้าคิดว่ารู้ว่ามันหลอกนะคิดว่ารู้ทำมาคิดว่าเข้าใจทำมากนี้หลอกแต่เคลื่อนมือไม่รู้สึกและไม่หายสงสัยนะก็ยังมีคําถามอยู่ดี มากมายเหลือเกินระเวลาปฏิบัติธรรมความคิดที่จะเป็นคําถามนะเอาวางไว้ก่อนนะให้มาเคลื่อนมือรู้สึกตัวเคลื่อนมือรู้สึกตัวให้คําตอบมันเกิดภายในนะคนอื่นตอบอาจจะไม่โดนใจแล้วก็ไม่ถูกนะให้ความรู้สึกตัวพาไปแล้วได้คําตอบให้มันเฉลยได้ตัวของตัวมันเองนะการเคลื่อนคันไหวนะ มีอาการต่างๆปรากฏเป็นปัจจุบันมากมายเหลือเกินที่กายของเราแต่ละขณะแ ส, แสกซ้อนซ่อนทำให้เราได้เห็นคาหนังคาเขาเมื่อก่อนเคยหลงหลุดเข้าไปกลายเป็นสุขเป็นทุกข์หิวก็สุขกัทุกข์ร้อนก็สุขกัทุกข์เมื่อยก็สุขก็ทุกข์เจ็บป่วยสุขทุกข์ตลอด กายป่วยใจป่วยร่างกายเรามีปัญหาใจก็มีปัญหาไปด้วยเป็นความไม่สะดวกแต่พอเราปฏิบัติเราก็จะเห็นว่ามันแยกกันได้อยู่กายมันก็เรื่องของกายอะอะไรที่เป็นทุกข์ของกายก็คืนมันจิตมันก็เป็นเรื่องของจิตนะมันจะคิดอะไรก็คืนมันเรื่องของมันรับผิดชอบตัวมันเอง ให้มันตอบตัวมันเองมันคือใครกันแน่มันก็คือคนที่มันไม่ใช่ตัวตนคือสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนไอสไตล์ผู้เชิชัดนะสิ่งไหนก็ตามที่ไวไาแสงสิ่งนั้นไม่มีตัวตน<ม>ความคิดนี่ไวไาแสงนะา ว, วิทยาศาสตร์นี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนแปดหมืนหกพันไต่อวินาที หรือว่าสา0 0สกิโลเมตรต่อวินาทีแต่ความคิดมันไวกว่านั้นจิตมันไวกว่านั้นไม่น้อยกว่าสิบเจ็เท่าของปรมาูความไวของมันอันนี้มีการเช็คมีการวัดตามหลักวิทยศาศาสตร์ข้อมูลอ้างอิงมาจากหลักของวิทยศาศาสตร์แต่สติมันไวกว่า ไวกว่าจิตคิดมีความไปสูงเราก็เลยเนี่แหละมาฝึกให้มีสติท่องไปในกายรู้ทั่วสารพรางกายยกมือ1ิบสี่ใจังหวัดนึก็รู้ครั้งหนึ่งให้มันทันให้มันว่องไวไวขึ้นไวขึ้นไวขึ้นเรียกว่าสติเจริญมันมีทุกค น, นสติไม่เว้นหรอก จะมากจะน้อยนะอีกเรื่องหนึ่งแต่มีทุกคนเป็นความรู้สึกนะเวลาการเกิดการไหวรู้สึกได้มันหิวรู้สึกหิวมันปวดรู้สึกปวดมันเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยมันแก่รู้ว่าแก่เจ็บรู้ว่าเจ็บมารู้อยู่หรือว่าการเกิดการดับมันตายอยู่ทุกๆขนาเซล เกิดดับเกิดดับเล็บในยาวมาแล้วตัดทิ้งแล้วเซลล์ที่ตายผมในยาวออกยาวออกยาวออกเป็นเซลล์ที่ตายแล้วทั้งนั้นนะมันก็พิสูจน์ได้ตายอยู่ตลอดเวลาเจปีสรีระของเราร่างกายของเราตามเหล่าเยาี่ยสัยคือมันไม่เหลืออะไรสักอย่างมันเปลี่ยนเซลล์ใหม่ทั้งหมดแล้วใครกันที่นั่งอยู่ตอนนี้มันก็ไม่ใช่เจปีที่ผ่านมา สิปีที่ผ่านมาหรือว่าตอน7ขวบมันก็ไม่ใช่จิตของเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเหมือนกันเจขวบยังเล่นตุ๊ ก, กตาอยู่เลยยังเล่นหม้อข้าวมาแกงอยู่เลย mm hmm. เดือนนี้เล่นไหมโยมยังเล่นตุ๊กตาอยู่ไหม mm hmm. บางคนอาจจะเล่นกระดะ mm hmm. เคยมีนักเบีร์ทำเนี่ย mm hmm. เขากเกษียล้วหกสกว่าเป็นครูันหนึ่ง สอนโรงเรียนดังมาวัดยังเอาตุ๊กตาปลายมาด้วยน้องปลายน้องปลายตัดผมมาเหมือนก็คนที่เล่นตุ๊กตาเปียบเลยแล้วก็ยกมือสิี่จังหวาไม่ได้คิดถึงแต่น้องบลายน้องปลายนะี่ยก็เลยไปแอบดูจับตุ๊กตาปลายในยกมือสิบสี่จังหว่าจึกจ๊กจึกจ๊กจึ๊กจึ๊กจึ๊กโอ้โหไปเห็นแล้ว จิตตอนนั้นน่ะเหมือนเด็กอายุ5ขวบ6ขวบเลยนะคนๆเนี้ยแล้วก็หันมาถามนะอาจารย์ดูสิน้องปลายยกมือ14บสจังหวะได้ด้วยดูสิแล้วก็ทำจิกจ๊กจิก๊กจิ๊กนิ้วยกอาจารย์ว่าหนูปกติไหมคะถามอามาก็ตอบว่าเออก็ปกติของคนที่ไม่ปกตินะ เป็นปกติกรณีไม่ปกติมันเป็นอย่างนั้นต้องเอาวัตถุนหนึ่งสองสของเราไม่ต้องหรอกยิงตัวเองเลยเมอสั่งตัวเองยกขึ้นมาเนี่ยเป็นเพื่อนกับตัวเองอย่างนั้นไม่ต้องใช้วัตถุนหนึ่งสองสใช้กายล้วนๆดุนๆเปลี่ยวๆไปเลยยกปั๊บรู้สึกปุ๊บสัมผัสกระทบรู้สึกเคลื่อนหยุดรู้สึก มันไม่หลอกหลอกตัวเนี้ยเนีเป็นมิตรแท้ของเราการละยมิตรที่ดีที่สุดตรงนี้แหละส่วนความคิดอะล่ะโอ้ยอย่าไปเชื่อไปเลยอะไรละเกินกัไปแล้วขึ้นชื่อว่าตัวคิดแล้วขนหัวลุกขนหัวลุกมันคิดอะไรก็ได้เราก็จะยกมือมันก็จะคิดมันก็ต้องสั่งกันละมันก็ต้องสอนกันละ คิดปับ๊บวิธีสอนคือกลับมารู้สึกตัวคิดปุ๊บก็รู้สึกปับ๊บรู้แล้วรู้อีกแล้วดูที่มันจะเป็นยังไงหนึ่งวันสองวันสามวันล้วก็จะเห็นว่าเออความคิดฟุ้งซ่านก็น้อยลงไปเรื่อยๆจากการที่มันไม่ได้รับอาหารมันก็เหี่ยวเหี่ยวชว้อเชหมดกำลังไปถึงคิดก็ไม่แรงความรู้สึกตัวแรงกว่า สติมีพลังมากกว่าหลวงพ่อท่านเปรียบเทียบไว้ว่าสติเนี่ยเหมือนนกอินทรีนิวรณธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นมาไม่วาม่ า, า, ว า, าจะเป็นความง่วงเหงาหานอนเศร้าซึมเบื่อเซงความลังเลสงสัยความฟุ้งซ่านการพยาบาทต่างๆกลุ่มของนิวรณวรธรรมที่มันเป็นด่านกั้นจิตแม่เราบรรลุถึงคุณงามความดี เปรียบเทียบไว้นิวรณ์ธรรมเนี่ยเหมือนมแมลงสติมันนกอินทรียนกอินทรียก็ย่อมกินมแมลงนะเป็นอาหารเราได้เห็นไหมว่านกอินทรียของเราเติบใหญ่แล้วก็มันกินนิวรณ์ธรรมอย่างไรมันมีพลังอย่างไรมันผ่านอย่างไงแต่ว่าใหม่ๆมันก็อาจจะเป็นมแมลงกินน ก, นกอินทรนะีย์นะโยม ความง่วงก็ลากไปสติก็หายไปอย่างวันนี้หลายคนอากาศร้อนๆก็จะง่วงเหงาหานอนมันกคนอากาศร้อนๆแมงวีมาตอมช่วงนี้มันน่าแมงวีมแมลงมาตอมหงดงิดยุงอาจจะมากอยู่ตามช่องด้านขวามือนะนะหรือ่ายมือของโยมตอนนี้มันอาจจะอยู่กับมแมลงสัตว์สารสิ่งต่างๆ จริงจสิ่งเหล่านั้นคือครูของเรารู้ไว้ด้วยถ้าเราฝึกสติวัตถุเหล่านั้นหรือว่าสิ่งมีชีวิตหนึ่งส4ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราไม่ได้มีความหมายอะไรเราก็จะรู้ใช้สิ่งเหล่านั้น เ, เป็นเครื่องระลึกรู้เห็นจิตเห็นใจของเรามไม่ได้หวั่นไหวมันเป็นปกตินะ แล้วก็อยู่กับการเคลื่อนไหวได้การเดินการยกมือ14บสี่ชั่ารมันก็รื่นเริงพอตัววิชามเกิดวิชามเกิดเนี่ยศรัทธาความเชื่อมันก็เกิดเจว่ารู้สึกตัวนี่ยโอ้จิตมันปกติมันสบายมันก็รื่นเริงกับการปฏิบัติจิตใจปลามโมดขึ้นมาทุกครั้งที่เคลื่อนมือรู้สึกมันจะตื่นตัวตื่นทั่วสารพรางกาย มันจะเป็นความรู้สึ ก, กที่มันรู้ตัวทั่วพร้อมตรงนั้นจิตจะไม่ได้คิดอะไรหรอกถึงคิดก็รู้ทันเลยทันทีทันใด <Esse. S 2> พอจิตมันปลาโมดขึ้นมามันเดินไปมันก็เกิ ด, ด อ, อาการปิติขึ้นมาอ่อนๆบางทีก็จะมีการเผลอหลงไปในความคิดแบบคิดดีๆดปิติก็ยิ่งแรงขึ้น <pardon. S 2> มีความสุขมีความสงบเกิดขึ้นมานะ พิธีเกิดปัสสัที่ก็เกิดปัสสัที่เกิดก็คือกายก็สงบใจก็สงบแดดร้อนก็ไม่ได้ไปสนใจแดดอากาศร้อนไม่ได้ไปสนใจเลยแมลงมาตอมก็ไม่ได้ไปสนใจเพราะว่ามันกําลังรื่นเริงกับการงานอยู่เราเห็นได้เลยนะเดินนะโอ้แป๊บแ ป, แปหมดวันไวมาก2ชั่วโมง3าชั่วโมงนะั้นไวอย่างนี้นี่คือการเปลี่ยนแปลงนะที่เราจะเห็นได้จากการที่เรา ขยันเคลื่อนไหวจนมันมีความต่อเนื่อง mm. อารมณ์ปฏิบัติมันก็ mm. แสดงออกมาปรกากฏออกมาให้เราได้ mm. สัมผัส mm. มันก็เริ่มละ mm. เริ่มเห็นว่าเออมันมีคุณมีค่ามันไม่เคยมีความสุขมันก็แสดงออกมา mm. ไม่เคยมีความสงบมันก็แสดงออกมา mm. กายเบาใจเบากายแล้วตาจิตตารูตา mm. เดินเน่เหมือนไลน้าหนักเลยนะ เวลา ม, มีความรู้สึกตัวเนะี่ยมันเหมือนเอแปลกเนละมันเบาเนื้อเบาตัวบอกไม่ถูกมันก็ไม่เคยเป็นอย่างนี้นะทําไมพอปฏิบัติมันก็มีแค่ตัวเองอยู่เนะี่ยทำไมมันสบายเบานะกายเบาใจเบานะอยู่ข้างนอกเราอาจจะหูเบาเชื่อคนง่ายนะเชื่อหูเชื่อตาเชื่อจมกูกนะแต่ตอนนี้มันเห็นกายเบาอีกแบบนะึงนะ น้ำหนักปกติมันปวดเมื่อยมันไม่อยากจะเคลื่อนไหวแต่พอมันได้อารมณ์เท่านั้นแล้วโอ้มันเดินกายลูตาจิตต่รูตาจิตใจก็เบาสบายผ่อนคลายไปเลยเกิดการตื่นเนื้อตื่นตัวขึ้นมากายก็ตื่นใจก็ตื่นสติดูกายกายตื่นสติดูจิตดูใจจิตใจก็ตื่นขึ้นมานมันก็จะเริ่มแปลกแปลกแล้วตัวเองกับตัวเองงง เมื่อก่อนเรามีความสุขจัการได้เข้ามามันก็ยังไม่สุขเท่ากับการปฏิบัติมันมีความสุขมากๆเลยเคยเซ็นชื่อแล้วก็รับเงินมันก็จะวูบขึ้นมาใช่ไหมเวลาเราได้ได้เงินได้ทองมันก็รู้สึกว่าเออชีวิตมันก็มั่นคงขึ้นไปมั่นคงขึ้นไปฐานะก็เรียกว่าเป็นปึกเป็นแผ่น การสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างชีวิตของเรายอดเงินก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเราก็รู้สึกเออ ม, มีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินจะใช้อะไรก็รู้สึกว่ามันเริ่มเห็นทิศทางของชีวิตเราที่มันสดใสแต่พอมารู้สึกตัวและสัมผัสกับตัวนี้มันยิ่งกว่ามันไม่ใช่รับวัตถุนถึงสองสามเป็นเงินเป็นทองแต่ว่ามันเกิดขึ้นมาข้างในนะระหว่างที่เราเคลื่อนมือรู้สึกมแปลกดี เราก็เริ่มเห็นความสําคัญแล้วล่ะเริ่มไม่ให้คุณค่าทางสายตากับรูปเริ่มไม่ให้นะคุณค่าเสียงที่มากระทบกระทางหูแต่ไม่ให้คุณค่ากับการเคลื่อนการไหวกระทบสัมผัสอย่างเนี้ยเพราะนั้นจึงพูดว่ารู้สึกตัวเนี่ยมันก็พาไปถึงความสุขแหละและที่ไหนมีความสุขที่นั่นก็เกิดสมาธิขึ้นมารมตรงไหนเป็นความสุขจิตใจก็จะจดจ่ออยู่ตรงนั้นขึ้นมา มันก็จะเป็นสมาธิคู่กับความสุขนั่นแหละมันก็จะเดินไปยกมือไปอเวลากินข้าวเนี่ยมันนึกถึงทางเดินจงกรมเลยเวลาทํางานทําการไม่ได้สนใจมันนึกถึงที่เดินจงกรม น, นั่นแหละอันนี้อารมณ์ต้นๆเลยนะมันจะเห็นความสําคัญของการดปริวัติเพรามันะมรู้ว่าปฏิบัติแล้วมีความสุขจริงๆเมื่อนะก่อนยิงบัตทุนถึงสสตอนนี้มันไม่ต้องยิงเป็นนิลามิสุข ก่อนสุขเพราะว่าหาเงินหาทองสุขเพราะว่าทําอาชีพประกอบอาชีพที่ชอบสุขเพราะว่าได้ใช้ทรัพย์ซื้อวัตถุหนึ่งสอสปัจจัย4ี่ห8าอย่างเงี้ย ม, มีความสุขอย่างนั้นแต่ตอนหลังนี่มันไม่ใช่เสแล้วมันกลายไปว่าเอออยู่ไปวันๆแต่ก็มีความสุขอยู่กับตัวเป็นความสุขสงบเย็นอัมพรเห็นคุณค่าตรงนี้ปับ๊บก็รู้แล้วละ่ะว่าขนาดเราปฏิบัติขนาดนี้มันยังมีอย่างนี้ขึ้นมา ป็นบติแบบนี้มันเกิดแบบนี้ขึ้นมามันไม่หยุดไม่ย่อนหรอกมันงกเราหาเงินหาทองทํางานทําการนะ่ะมาได้ทรัพย์เข้ามามันก็งกอ่ะนะอันนี้ก็เหมือนกันอรยุยัทรัพย์ภายในมันไม่ไปสนใจจะใช้ใจ่ายอะไรหรอกหาพูดหาคุยนะเดินชมนกชมไม้ไม่เอาหรอกมันคล้ายๆมันก้มหน้าก้มตาสะสมเต็มที่เจียมเนื้อเจียมตัว มันจะคล้ายๆกับอมโภมก่อนอมโภมมันไม่อยากจะบอกใครหรอกใหม่ๆมันเหมือนกับว่าเรามีของดีอยู่มันก็จะเงียบๆมันจะรู้เนื้อรู้ตัวเงียบๆมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆมันจะซุ่มๆฝึกวิยายุดเมื่อรู้แล้วว่าเราเริ่มมีกําลังภายในนึกออกไหมหนังจีนไมไปโชว์ที่ไหนหรอกมันจะแอบๆฝึกซุ่มๆอยู่ นั่นคือได้อารมณ์ปฏิบัติแล้วลวนะคนที่ซุ่มๆแอบๆไม่สนใจอะไรกับใครดังนะั้นะอย่างเงี้ยนะหาที่วิเวกแล้วก็เคลื่อนมือเดินจงกรมนะปฏิบัติอย่างตั้งอกตั้งใจงมันรู้แล้วแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยคุ้มค่าและคุ้มค่าแล้ ว, ม, ลวมันมีสติปัญญาที่จเจริญอยู่ข้างในคุณธรรมต่างๆมันจะเกิดความอิ่มอกอิ่มใจนะอันนี้ไม่ได้เรียกว่าเห็นแก่ตัวนะ เรียกประโยชน์ตนประโยชน์ตนมาเรียกาเห็นแก่ตัวเราซุ่มฝึกอยู่เนี่ยวางความดีทางโลกวางงานทางโลกวางทรัพย์วางเงินวางทองวางการช่วยเหลือคนรอบตัวได้เหตุที่ว่าเรารู้แล้วเราอะทิศทางอันนี้มันคือความสุขเกษมสารมันเป็นความสุขภายในใจของเราจริงๆซึ่งไม่มีใครให้เราได้แต่เพียงแค่ว่าตอนนี้เรากาลัง เดินทางชีวิตของเราให้ถึงที่สุดของการมีชีวิตของเราเนี่ยนะก่อนตายใช้ชีวิตอย่างไรให้คุ้มค่าที่สุดมีกำไรชีวิตที่สุดมีความสุขที่สุดก็ว่าได้แต่ว่าชีวิตแบบโลกโลกของเรามันไม่ใช่ไม่ใช่คำตอบมีวัตถุนถึงสอบางคน123 ง, งาเนียทํงานทการได้เงานินได้ทองมามันอิ่มจนเอียนจนอยากอ้วกเป็นไ ม, ม่ยอม เป็นอาการอย่างนี้มั้งไหมได้มาก็เงันเงันอเงี้ยเคยไหมมีรถเก๋งอยากได้กระบะมีรถกระบะอยากได้เก๋งมีเก๋งมีกระบะอยากได้4ฟร์ได้มีรถอังกฤษมีรถญี่ปุ่นอยากได้รถรถเยอรมันรถยุโรปอะไรเงี้ยเคยไหมสมมติให้ฟังมีที่1ก็อยากได้2 3 4 5อย่างเงี้ยเคยหมมีทีวีก็อยากมี1เครื่อง2เครื่อง3ามเครื่องให้ครบทุกข้องี้ยมีไหม ทีวีมือถืออะไรยกตัวอย่างมีอะไรล่ะงานก็เห็นว่าเอองานนี้เป็นงานหลักออไนกไดงนเอ น, นกีกระได้งนอ น, น, อ, น, นอยากมีหลายๆายธุรกิจอย่างเงี้ยเป็นไหมเป็นพยาบาลก็อยากขายแอมเบอย่างเงี้ยมีไหมเป็นพยาบาลก็อยากขายนูทรีอย่างเงี้ยอยากขายไดเรกเซลให้หมดทั้งโลกเลย ใครมาขายอะไรก็จะเป็นมันหมดนั่นนหะอันนี้สมพระเทพฟังบางทีก็เบื่ออยากล้าออกพยาบาลไปแคะขนมโคกขายอะไรเงี้ยคิดอย่างเงี้ยมีไหมคนในอยากออกคนนอกอยากเข้านะคือบางทีมันอยู่ตรงไหนมันก็อิ่มจนเอียนจนอยากอ้วกนะมารู้เห็นไส้เห็นพุงบางทีอาปากก็เห็นลิ้นไก่แล้วเห็นไส้เห็นพุงกันไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่นี่มันเป็นอย่างเนี้ยนะ ประสบการณ์ก็ น, นี้เราก็เลยว่าเออไม่เอาละไม่อยากเอาเข้ามาอิ่มจนเอียนจนอยากอ้วกวัตถุนิวของสามบุคคลหนึ่งสองสามมันก็มีลักษณะการให้เกิดขึ้นไหมจะเลือกให้ใครดีให้คนทุศีนี่มันจะได้บุญไหมเนี่ยให้คนบ้าเราจะได้บุญไหมเนี่ยมันก็คิดมากให้เขาแล้วดูสิดูดูก็ทําเนรคุณอย่างเงี้ยคิดมากเอ็นดูเขาเอ็นดาวขาเอ็นเราขาด บางทีก็บอกว่าเออทาดีได้ดีมีที่ไหนทําชั่วได้ดีมีถมไปก็เกิดความลังเลในการทําความดีขึ้นมารลดน้มบางทีเลี้ยงหมาดีกว่าเลี้ยงสุนัขดีกว่าหมามันจะหยาบไปเลี้ยงสุนัขพันนั้นพันนี้พันน ون, ู้นจนใหญ่คนเลี้ยงสุนัขเนี่ยเท่าที่เห็นนะหน้าตาเนี่ยเหมือนจะขอแทบทุกตัวเลย สังเกตดูนะเวลาก็เลือกกันมันคล้ายๆกันหรือว่าสามีภรรยาสังเกตหน้าตาจะคล้ายๆกันสังเกตเหมือนกันผู้หญิงไทยเวลามีแฟนฝรั่งขนาดเป็นฝรั่งเลือกนะันหน้ามันยังคล้ายๆกันเลยโยมมันหน้ามันไปทางโทนๆเดียวกันยังไงไปแล้แปลกเดียบางทีเลี้ยงสุนัขจนกระทั่งลืมแม่กลับไปบ้านทํางานมาเหนื่อยๆแทนที่จะถามว่าแม่กินข้าวหรือยังเปล่าแม่หมากินข้าวหรือยังมันเป็นอย่างนั้นไปคนเดี๋ยวนี้นะ ก็เลยบอกเออเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดทําดีได้ดีไม่ที่ไหนคนก็เลยท้อเพราะการทําความดีแม่เอาแล้วไม่อยากทําดีก็ไม่ทําให้ก็ไม่ให้เอาก็ไม่เอาประเภทนี้จะเริ่มหลบหลบหลีกเก็บตัวอยู่คนเดียวไปไหนไปคนเดียวอยู่กับตัวเองกลับไปบ้านก็ชอบปิดห้องขังตัวเองอะไรประเภทนี้คือเริ่มที่จะ หาตัวเองไปอยู่กับภายนอกแล้วสับสนยุ่งเหยิงนะเห็นแต่คนที่ไม่เป็นมิตรนะมีแต่คนที่จ้องจับผิดเพ่งโทษนะเราก็อยู่ยากอะไรเงี้ยเป็นต้นนะท้ายสุดก็คือเริ่มที่จะปลีกนะไปหาสินตนาการแล้วกิจกรรมส่วนตัวทาบางคนก็ซื้อรถดีๆสักคันขับเข้าป่าไปเลยไปกางเต็นท์นอนอยู่ในป่าบางคนก็ขับรถไป ไอ้ที่พูดเนี่ยเคยทำมาหลายต่างเงินอะ่ะขับรถไปแล้วก็ไปดูพระอทิตขึ้นพระอทิตย์ตกขับรถไปของตัวนี้ก็บอกว่าอร่อยจังหวัดนี้ของสิ่งนี้อร่อยชื่อดังเชียงใหม่แหนมปลายย่นเออแหนมปลายย่อนอย่างเงี้ยหรือว่าลำไ ย, ยพัฒนันอะไรเงี้ยนะลำไ ย, ยแห้งสารพัดแต่ไปเพชรบุรีก็ต้องหม้ อ, อกแกงแม่กิมไลอย่างเงี้ย เราก็ไปหากินนักกรถมก็บอกว่าอาหารอร่อยของทะเลซีฟู้ดต้องเขาวังมุกอะไรเงี้ยเคยได้ยินไหมสีราชาหลายที่หลายทางแล้วก็ไปชัยลือเคมีอยู่ทีหนึ่งจำได้ว่าฝั่งไม้ฝั่งไม้ขอยนาตเล่านิดหนึ่งสมัยนั้นนี่พระเบีมเรียนอยู่ที่อาสามชันจังหวัดระยอง เราก็จะเป็นครอบครัวที่ขับรถไปรับกันภรรยาสมัยนั้นสีกาเขาทางานธนาคารพร้อมสินต้องไปรับกันให้เขาเลไปกินข้าวกันทุกเย็นอย่างนั้นเมันกลับไปถึงบ้านมันต้องแวะกินข้าวตรงไหนทุกหนึ่งมันมีอยู่เทหนึงอาตมาเนะี่ยร้อนจัดมากเลยวันนั้นนะ่ยแล้วทํางานเหนื่อยจิตมันแวบคิดถึงส้มตำเจใหม่เมื่อประมาณสัก20่ปีก่อนนะ จานละยีบาทครกนะ่ะนิดเดียวเองโยมก็ทำเนี่ยเอามะละกอมาแช่เย็นแล้วก็ขูดขูดขูดขู ด, ขดแล้วก็น่ะนิดเดียวอาใส่ครกเสร็จแล้วก็เอากระเทียมใส่ลงไปเอาน้ําตาลปึกใส่ลงไปอย่างนีนะ้แล้วก็ใส่เครื่องครบน้าําปลาหยอ่ย อ, อะไรก็ตามจิ้มกันก็คือมะนาวต้องล้างให้สะอาดผิว เครื่องเสร็จก็ไปล้างแล้วก็ผ่าสองลูกบีบจุดลงไปนะจุดลงไปมะนาวอย่างเงี้ยนะเออวันนั้นเน่ไปปรากฏว่ามันหมดพอดีอาตจจมาลงแดงส้มตำาบบนั้นนะเห็นเลยโอ้มันอยากจะพังล้านเจมม่ลงไปนะ่ฮมันหมดแล้วเหรออะไร ทำไมมันไม่เหลือแล้วหมดเร็วจังเลยนะมีอะไรในตู้เย็นอามาตาให้กินไหนไปะอะไรก็ได้ที่มันมีอยู่ในตู้เย็นนะมันอยากขนาดนั้นเลนะว mm hmm. ันนั้นก็เอาอะไรมาล้วข้าวโพงขพ้าโพดเคยกินข้โพดตำไหม mm hmm. ข้าวโพดต้มเนี่ยมันเหลือก็ซื้อมากินเองอ่ะนะ mm hmm. ก็เลยมาฝานฝานแล้วตำให้กินแทนส้มตำ อ, อย่างเงี้ยมันลงแดงก็คือมันติดในรสอย่างมาก mm hmm. รสชาติต่างๆ เนี่ยไม่ได้กินข้าวเย็ยนแล้วเหล้าแบบเนี้ยมันน้ำลายไหลไหมนี่โยมคราวนี้ปรากฏว่าอ้าวแยกมาที่ความรู้สึกตัวกันเองกันแล้วกันนะเราก็ทําอย่างนั้นกันมาไปดูพระทิตย์ขึ้นพระทิตย์ตกทเที่ยวกินนอนทเที่ยวกินอยู่แค่นั้นนะท้ายสุดมันก็เห็นว่ามันไม่ใช่สาระเนะย็นนี้บรรสุขที่จะไปไหนก็ไปกันดันดี แล้วเดี๋ยววันที่ค่อยกลับมามันเหนื่อยเหนื่อยอย่างมากเสร็จแล้วมันก็ไม่ใช่เอ๊ะมันอะไรกันแน่เนี่ยก็เห็นหลายคนก็ทำกันนะตอนนั้นก็รู้ข่าวแล้วบางคนเนี่ยเริ่มที่จะพาตัวเองพร้อมหนังสือดีๆนะในเรื่องของการฝึกหัดปฏิบัติธรรมจากร้านหนังสือกดนั้นเขียนความสุขเป็นอย่า ง, งานั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นต้องฝึกวิปัสสนาต้องทำสำาสมถะกรรมฐาน แล้วก็เข้าป่าไปกลับมาก็เพี้ยนกันนะกลับมาก็เป็นคนที่แปลกไปจากสังคมเนี่ยเราก็ได้เห็นโอ้มันมีอย่างนี้ด้วยนะนั้นะเราก็จึงมีสิทธิ์เลือกนะเราเห็นทุกอย่างเป็นครูนะบุคคลหนึ่งสองสามก็แสดงออกนะเห็นเป็นครูนะก่อนบวชเคยมีปนะระสบการณ์ครั้งหนึ่งขับรถเสร็จนะแล้วไปเจอคนบ้าคนหนึ่ง ก็สะพายย่ามเหมือนกับพายย่ามพระแต่ผมเนี่ยไม่เคยสะแล้วก็กระเซิงกระเซิงมากก็เดินแบกไม้คานเดินเดินเดินเดินยิ้มได้ไหเดินยิ้มเดินเดินเดินเดินเดินเดเราก็กําลังถือพายไก่อยู่ชิ้นหนึ่งก็สงสารนะเราขับรถท้องแอร์แอร์ก็เย็นสบายเขาเดินตากแดดร้อนๆนังสาร ก็เลยขับรถยืดเทินอ้อมไไกลมากยู U ่เทิน่าจะมาพอมาถึงแป๊บบีบแต่ปิ๊มๆยกปลายกปายไก่ให้ก็กดกระจกไฟฟ้าลงมาชื้ลงมายกให้เขาก็ไม่สนใจนะเขาก็เดินยิ้มกันก็แหละเดินยิ้มยิ้มยิ้มแปมแปมแปมแป ม, มันคงลำคานนะนะไม่อยากให้ใครมาต่อแย่มันหยิบไม้มาอันจะฟ้ากระจกรถนะโยม เป็นโยมจยมจะทำไงอัมาก็เล่งหนีนะจจะอยู่ให้ตีทำไมลนะเนาะก็เลยเห็นว่าเออบางทีนะทำดีนะมันก็อันตรายนะทาดีแล้วก็เห็นอีกอย่างคือไอ้ที่เราเดินจงกรมไปกราบกันเนี่ยอันนี้คือฝึกเจริญสติอันนี้เขาเดินนะจากแกลงมาจังหวัดระยองคนคนเนี้ย เขเดินแล้วก็ยิ้มเลยนะแต่ทำไมอารมณ์เขดุร้ายเราบีบแต่นิดเดียวก็ยาวไม้ตีเราอันนี้นบอกถึงว่าญาติโยมที่ปฏิบัติธรรมพยายามเดินกลับไปกลับมาให้มากที่สุดอย่าเดินแล้วก็ยิ้มแล้วก็วนวนวนวนวนนนนรอบลานหินโค้งนะประเภทนี้่มามองเป็นคนบ้าไปเลยนะนึกถึงภาพที่เราเคยเห็นคนน่ยมันเดินแล้วมันก็ยิ้มแล้วพอบีบแต่ใส่มันจะตีรถเราอย่างเงี้ย มันไม่มีปัญญานะประเภทนี้มันเดินไปแล้วก็เดินกลับเดินไปแล้วก็เดินกลับเนี่ยสมบูรณ์แบบมากเลยเทคนิคการวิธีทำการเจริญสติการเดินลอบวะัดลอบวะ่าเดินแล้วสบายใจมามองก็ยังไม่ใช่แต่ถ้าเหมือนกับว่าระดำน้ำําล้วมันก็หายใจไม่ออกมันอึดอัดลมหายใจก็มันก็โผล่มาหายใจมันก็ได้แต่โผล่หายใจเสร็จแล้วก็ต้องดำต่อไปเหมือนกับปลา ปลานี่ก็จะอยู่น้ำดีๆนะตรงไหนมีอาหารก็จะโชว์ก็ไปกินแล้วก็รีบไปรีบออกมาทำอย่างนี้ก็ไดนะ้ก็คือเวลาเราเดินแล้วมันติดขัดนะบางคนเดินอาจจะนับ 1, 2, 3อามันนี่ไม่ถูกนะบางคนอาจจะไม่ใช่แค่นับ 1, 2, 3อามันจะคำนวณว่า9ก้าแล้วประมาณ50ซมก้าเท่ากับ1เมตรเราเดิน1ชั่วโมงนี่กี่ก้าก็คูณกนไปโอ้โหป่น oh, านนี้ถ้าเดินกลับบ้านนี่ถึงบ้านแล้วอะไรอย่างเงี้ย มันก็ยาวไปขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นเดินให้เป็นความรู้สึกล้วนๆกระทบสัมผัสรู้สึกแล้วก็เดินให้ถูกจับมือกันไว้บางทีเราเดินแล้วก็เผลอปล่อยแกว่งกันตองแต่งตองแต่งตองแต่งตามใจเจ้าของเพราะฉะนั้นมือมันถือให้ใจมันวางมือถือแต่ว่าจิตใจมันวางอยู่ก็คือจับมือมันยึดแต่ใจมันไม่ยึดหาสิตรงนั้นมันอยู่ตรงไหนปรับปรับปรับจนมันเออไม่เป็นไร ให้ถือก็ถือถือได้ไม่เป็นไรมือถือแต่ใจมันวางอย่างเงี้ยมันมีอยู่เหมือนวันนี้เมื่อเช้าเราแบกของหนักกันอยู่เนี้ยนะถือของหนักกันอยู่เนะี้ยแผ่นปนูนหกคนนะี้ยอามารู้เลยว่ายืนข้างหลังเนี่ยเบาสุดอยู่ข้างหน้าเนี่ยหนักสุดแปลกมากเลยเมื่อเช้าลองอยู่ตรงกลางก็อยู่ตรงกลางก็ไม่หนักเท่าไหร่แต่คนที่อยู่หน้าเนี่ยจะหนักสุดหามแผ่นแผ่นปืนเนะี่ยอมาจะล็อกเลยมือล็อกแต่ใจวางเลยนะ ใจไม่ได้เหนื่อยเลยนะในขณะที่เราเห็นว่าเราเอาคนงานมาทำเนี่ยคนงานเนี่ยเขาเหนื่อยเขาเหนื่อยใจเขาเขายกแผ่นหนึ่งเขาก็ไปนั่งสูบบุหรี่คุยกันแล้วเขาก็มายกอีกเรายกเครื่องชมองนะเขายกเป็นวันเขายังไม่ได้เท่าเราเลยนคนงานน่ะนั่นมันบอกถึงคุณภาพของจิตนะคุณภาพของกายมันขึ้นอยู่กับคุณภาพของจิต มันจิตเรามันมีพลังนะมันทําอะไรได้หมดทั้งโลกนะนะก็เลยว่าพยายามเดินมือจับกันแล้วก็เดินไม่มีการบริกรรมนะแล้วก็เดินกลับไปกลับมาเนคือเทคนิคของการเดินจงกรมนะเดินแล้วรู้บ้างไม่รู้บ้างไม่เป็นไรมันคิดไปก็กลับมามันง่วงง่วงก็ไม่เป็นไรนี่คือสภาวะธรรมธรรมที่เป็นอกุศลนะมันมาไม่ถูกเวลาเท่านั้นเองแต่เดี๋ยวคืนนี้มันมาถูกเวลามันก็เป็นกุศลทันทีนะ เราก็มองเป็นธรรมะเป็นอาการเกิดดับอย่างเงี้นะอย่ามองว่าว่าแย่มาทำไมอย่าไปมองอย่างนั้นให้ถือว่าเป็นครูแมงบีก็เป็นครูอากาศร้อนก็เป็นครูทุกทุกอย่างเป็นครูแล้วที่สำคัญก็คือเราเป็นครูสอนตัวเราเองเราสามารถสั่งตัวเองได้และสอนตัวเองได้คิดไปออกลับมาคิดไปออกลับมานี่ก็คือปัญญาภาวนาอย่างเงี้นะดังนั้นนะนะเราก็จึงพูดสู่การฟังสาหรับเย็นนี้นะ